โอ้มาพินุกมาพิจรารณาสัพเพยักขาปารายันติโอ้มาพินุกมาพิจารณาสัพเพยักขาปรายัต น, นยยติคือมีสติแน่ๆนะเรามีสติวเวลาเราฟังเทศเวลาเราฟังปจัจจารขาต้องตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจก็ดีแล้วละภาษาตัวนี้เข้าสิ่งไม่ได้อันนี้หมดนะ มี่กะท้ากัทีเท่เรื่อรัำนะังไม่ได้อะรทีนะ่นนี่ก็อันสุดท้ายเราจะขอแนะนำหนังนนสือดีหนังสือดีคือพจนานุ ก, นอกอนรมหบับแรกปฏิสฐานพศสอ ง, อ ง, องพันหาม้อยยีสิบห้าดีมากนะราคาเรื่งได้วมื่อก่อนนี้มัน ร้อยห้าสิบบาทเวลาันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงราคาแต่ไม่เป็นไรนะมีค่ามากเกินนะมนสู่อเขาจ ะ, น, ะ น, นับทุกคนได้คนท่านถลายซือมาเป็นระดับตู้เขเนี่ยหนึ่งเร่นไหมนะอย่าลืมนะมีค่าหรือหลายเขาจะนะับกคนเนจะยกตัวอย่างคากระทูเนะกระทูนะ่เลยมีความมายทั้งสี่อย่างกระทู่นะคำกระทูนะะท่นะที่เราแต่งไว้นเนะี่หนึ่ง ม า, ามถึงซอซอใบผายอยู่ถือมาทำรู้่งเดือกระทู้มันมาเดอกระทู้มานไงซอไใบผายยึดต่อใบผายไม่ไดตต้ถ่อมาทำเป็นรู้ไงมีกระทู้มันไงอีกอย่างนึงกระทู้ทมคือหัวข้อธรำมะเทียวแต่มั่นแต่นี่นะขยายใจความว่างขังเรียกกระทู้ทำอีกอย่างหนึ่งว่านอนกระทู้อาจจะนั่ชอบกินใบเข้าใบใบใบเข้านะอาจจะรายมากสำหรับกระทู้เนี่ย เรื่อยังลนึหมายถึงว่านะควานกระทู้มีรักษตค่ายแต่เน่ที่เป็นกอกรึเปล่เป็นกอกร์ใช้แก้ปวดเมื่อยได้ไงี่ดจะเห็นด้วย่าความรู้ในหนังสือเขาถนัดด้วยคนเยมากเลยเนียร่งยังนึ่งคว่าส่วมเนี่ย ของภาคกลางกับภาคอีสานไม่เหมืนกันี่เราจะรู้ได้ลงสึ่อได้ไหมคําว่าเชื่อมภาคกลางเนี่ยหมายถึงที่ไปถ่ายกัตาวาอุจจาระไงถูกไหมแต่ว่าภาคอีสานกันอย่างหนึ่งไงมายถึงที่นอนหมายถึงที่นอนคราวนีงมีคนไปอภิษฐานก็จะไปหาท่วงนะปวดท่วมอยากไปหาท่วมก็ไปถาม คนที่ที่บ้านนั้นเน่ยเขาพาไปห้องนอนนะพาไปห้องนอนฉันที่พาไปที่ทั่วไปห้องนอนแล้วไม่ใช่ฉันไม่ได้มานอนฉนะันนะมาช่วเหนะมืนมรับท่วเหมือนในเพียงกระดาน่คนที่ท้ายเลยมีคนเขา้าใจเลยคนภาคอีสานดูกรุงเทพเขาเข้าใจป็อธิบายที่ถูกต้องเกิดแต่วางเวอไป้ว น, นี่สแสด้ว่าอาษาเข้าใจกันนะไม่ไดอยู่ในนักป็นพุทธนุกรมุณเนี่ย มีความรู้เยอะแยะเพราะงา น, นขอรองว่างัารหลายหาหนังสือเพอาราะจะนำมความว่าสักหนึ่งเล่มเป็นสมบัติไม่แพนะ้เนี่ยหลายก็าบาตันเองไปใช้อย่างอื่นที่ยะแยะแต่ว่าหนังสือนี้คุ้มค่ามหาศาลนะถือว่าเป็นสมบัตินะี่นี่ก็ในตอนท้ายนี้ก็ขอบูชาสาธุการ ททั้งหลายที่สนใจในการที่จะเผยแผ่หลักสิ่งธรรมเพราะว่าโรกลมเย็นเป็นสุขเพราะสิ่ธรรมสิ่งธรรมนำให้โรกลมเย็นเป็นสุขเป็นที่ซาคนเดรานี้โลกมันแย่เลยเจริญธนัตวัตถุอันตารายต่างๆเกิดจากคนที่ร้ายสิ่ธรรมเยอะแยะเลยพระาญาจะบเหล่าวิชาณีไม่หลายั้อช่วยเลยนะ เราก็รู้สึกพุทธเจ้าต้องช่วยกลยช่วยกันด้ว ย, ยวิธีเผยแผ่และทำสิ่งทำให้แพร่หลายกระจายทั่วไปก็ขอใส่พวกเราในการช่วยกับการร้อยคอยมือแต่ว่าการที่จะเผยแผ่ได้ดีได้ต้องห้คุณภาพนะพระทะ่านทางวัดหลวงสาวาทนี้นได้จัดที่มีการอบรมพระนักเทศนเพื่อให้คนทั้งหลายที่จะไปเทศนั้นมีคุณภาพ นํามาเป็นความชุ่นชบยินดีขอผู้ที่ได้ฟังนะไม่ใช่จับตัวเทศได้เทศได้ตอ้องจับใจใครราะเขาพึงให้ครพัฒนกติดใจเพราการพ า, าวัตนี้จึงได้จัดตั้งในการอบรมนักเทศขึ้นก็ขอพัฒนาสาธารณที่ทุกท่านที่ได้เสียเวลาอันมีค่าของท่านนะ่ะมาร่วมฟังการอบรมนักเทศที่ดี และก็ขอขอบคุณท่นานบุคคลราชบรมไตรทีที่ได้ดำเนินการอบรมนักเทศไปในโอกาสนี้ด้วยและขอน่วมทนาสาธุ ก, การณท่านจาจ้าที่ทุกท่านทำพิสุทธิสมนเนรและคารวะต่างๆที่มาร่วมมือร่วมใจกันในงานข่าวครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความทำได้ทีผลเป็นอย่างดีและก็ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลาย แขออวยพรใ้ท่านทลายทุกท่านแน่ปฏิจจาระโรคไข้ไข้เจ็บมีพลนานาวาอสมบูรณ์สามารถทิจารับการอบรมนักเทศนี้ให้สำเร็จความประสงค์โดยทุกประการและท่านทาหลายมีความปรารถนาสิ่งไรที่ชอบไปศีกระทำก็ขอความปรารถนาดังนั้ น, น, นจงฟังสำเร็จจงฟังสําเร็จจงฟังสําเร็จแก่ท่านทาหลายผู้มีจิตใจเลื่องสายธรรมศาสานาจ้องการที่จะโยก พุทธศาสนาให้สถาพรมั่งคมดำรงอยู่นานยิ่งกว่าห้าพันปีโดยทั่วกันทุกท่านเชิญ